แต่พอมาที่วัดเนี่ยมันไม่มีสิ่งหึงดงความสนใจอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงดนตรีละครงานการผู้คนพอมันไม่มีใจก็ไม่รู้จะไปเกาะ ก, กับอะไรพอไม่รู้จะไปเกาะ ก, กับอะไรก็เลยฟุง้ง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 มานานแล้วแต่ไม่ทันเห็นแค่นั้นเองะอนนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจให้ถือกติที่หลวงพ่อท่านสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ไม่เพลินไม่ฟูคิดไม่ดีก็ไม่แฟงไม่รู้สึกแย่มองมันเดีย๋ยวไปคิดว่านั่นเป็นเรานะ ถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะเชื่อเป็นเราอยู่เสมอคิดว่าเป็นเราที่คิดแบบนั้นคิดว่าเป็นเรานะพอเชื่อเป็นเรามันก็สึกแย่แต่นั้นไม่ใช่เรานะมันก็เป็นแค่ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาตามอารมณ์ไปมองว่าเป็นเราเมื่อไหร่เนี่ยก็เสร็จเลยนะก็จะตกอยู่ในอนํานาจของมันทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิดหรืออารมณ์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 ก็ยังมีความโกรธความเกลียดไปต่อว่าเขาก็มีหรือบางทีไม่ต้องร้อยเขาลงจากเวทีนะมีอะไรใกล้มือก็คว่างปาใส่เขาใส่ตัวละคร บ, บนเวทีอย่างที่เราอาจจะสมัยก่อนก็นกคนที่ดูลาเก น, นะดูเลเกอินมากๆานี่ก็โยนข้าวของก้อนหินนะใส่ตัวละครที่ตัวเองไม่ชอบ เป็นผู้ร้ายหรือตัวอฉาแต่ถ้าส่วนใหญ่เราเราก็ดูระคอเหมือนกับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรา mm hmm. ก็ให้เราดูความคิดความรู้สึกแบบนั้นแหละต่อไปดูไปดูไปนะไอความฟุ้งซ่านก็สงบลงนะแล้วก็จะมีความสงบใจภายในมาแทนที่พอนิวรน นะไม่ใช่เฉพาะความฟุง้งซ่านเท่านั้นแต่พอความนิวร์ต่างๆมันค่อยๆสงบลงใจเราก็จะสงบตามไปด้วยในตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งความสงบนะบางคนไปเจอความสงบเข้าก็ติดความสงบนะไปเพลิดความสงบนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะ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 ใจเราก็เหมือนกันนะไปบังคับมันแม้จะบังคับเพราะอยากจะให้มันสงบแต่พอไม่มันก็จะต่อสู้ประท้วงขัดขืนก็ เ, เลยกลายเป็นไม่สงบขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นความทุกข์หรือว่าพอสงบเพลิญนกับความสงบแล้วพอมีอะไรมากระทบขึ้นมาเสียงดังคนทาไม่ถูกใจ ก็พรงขึ้นมาได้ง่ายๆมีนักปฏิบัติธรรมบางคนไปปฏิบัติธรรมเชา้ากลางวันจนถึงเย็นปฏิบัติธรรมได้ดีสงบแต่พอลงมาจากห้องประชุมจะขึ้นรถ บอกกัว่ารถของตัวเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ามันมีอีกคันหนึ่งจอดซ้อนมันปรีดเลยนะโวย ว, ยวายทันทีเลยเพราะว่ า, าไม่พอใจที่คนมาจอดรถนะขวางเอาไว้อันนี้เราไม่รู้ทันไม่รู้ทันความสิ้ที่ของตัวส่วนก็เพราะว่าไปเพลินความสงบ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 มอพอเพลิยความสงบหรือสมาธิแล้วเนี่ยสติก็หายไปนะต้องให้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นให้รู้ว่าความสงบนี่เป็ น, ปนของชั่วคราวแล้วก็มันไม่ใช่เป็นจุดหมายสูงสือ ข, ของการปฏิบัติมันเนี่ยเป็นขั้นสมถะอยู่กรรมฐานพุทธศาสนานี่สมถะเป็นขั้นต้น ขั้นต่อไปคือวิปัสนาวิปัสนานี่ก็าเพื่อให้ใจสว่างใจสงบยังไม่พอนะต้องสว่างด้วยนะก็คือเห็นความจริงนะของกายและใจนะการเห็นความจริงมันช่วยทำให้ปล่อยวางมันช่วยทำให้ความเห็นแกบตัวลดลงนะเพราะว่าพอมีความยึดติด ถ, ถือมั่นมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็มีความเห็นกับตัวมากท่อนนั้นยึดตั้ในตัวตนก็นําไปสู่ความเห็นแก่ตัวอันเจริญสติเนี่ยก็ต้องมันตรวจสอบนะว่าเออใจเราสงบแล้วเนี่ยเราได้เห็นกิเลสของตัวเราบ้างหรือเปล่าบางคนเพลินกับความสงบแล้วก็มองไม่เห็นกิเลสไปรู้เท่าทันความคิดนึกที่มันเป็นกับพีที่มันเป็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ รู้ทันความคิดรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแต่ว่ากิเลสตัวโตว ๆ, ๆนะมองไม่เห็นเหนะมือนกับว่ากวาดพื้นนะกวาดพื้นกวาดกวาดพื้นก็เห็นกรวดเห็นเห็นทรายนะก็กวาดออกไปจากทางแต่มองไม่เห็นอีกหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่จะเป็นขวางทางว่าังไม่เห็นเลย ไอหินก้อนนั่นคืออะไรก็คือกิเลสคือความเห็งแก่ตัวนักปฏิบัติทําหลายคนเนี่ยใจสงบเพราะว่ารู้ทันความคิดเล็กๆน้อยๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเหมือนกับปัดกวาดกรวดหินออกกรวดทรากไปแต่ไม่เห็นกิเลสตัวโตๆความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันสงบชั่วคราวนะหรือว่าอ่ายังยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่แท้การปฏิบัติที่แท้นี่มันต้องลดละนะ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 ไม่ละไม่ทิ้งมันไปเนี่ยก็จะหาความสุขได้ยากนะนยังไงก็ไม่มีความสงบเพราะว่าความมีกระตัวเนี่ยถ้ามีแล้วนี่หรือกิเลสเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ ย, นน ย, ม, ยมันจะหาความสงบได้ยากมันก็คอยแย่คอยอยุให้เกิดความทุกข์นะทุกเพราะได้น้อยไปทุกเพราะมีคนข้ามหน้าข้ามตาทุกเพราะมีคนเขาดีกว่าเราเก่งกว่าเราเนยะอิจฉา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 เพราะว่าให้ทานด้วยการตั้งใจวางใจไม่ถูกให้ทานเพราะอยากได้อยากมีนะรักษาสิก็อยากอวดอยากแสดงให้คนเห็นว่าฉันเคร่งหรือเกิดความหลงตัวลืมตัวว่าฉันเคร่งในศีลอันนี้พอมาภาวนาเนี้ก็ยังไม่เห็นในความเพียรตัวนี้นะยังไม่ลดเมล่ละนี่ก็ถือว่ามันยังทําไม่ถูกนะ ไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่เหมือนกับสงบเหมือนกับพอกินแอสไพรินเนี่ยเวลาปวดเนี่ยกินแอสไพรินมันก็หายปวดชั่วคราวนะแต่ว่าความปวดมันยังมีอยู่พอฤทธิยาหายไปก็ปวดใหม่เนีเพราะว่าสาเหตุมันยังไม่ได้แก้ไขแล้วปฏิบัติธรรมถ้าเกิดว่าสงบแล้วพอใจแค่นั้นเนี่ยโดยที่ไม่ได้สาวลึกลงไปให้เห็นถึงกิเลสความเห็นแก่ตัว เห็นแต่ตัวเล็กๆ น, น้อยๆความคิดเล็กๆ น, น้อยๆกิเลสตัวเล็กๆ น, น้อยๆเห็นความฟุง้งซ่านวางมันลงได้แต่ความเห็นแก่ตัวมองไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่ายังมีการบ้านต้องทําอีกเยอะนะยังไม่เรียกว่าก้าวหน้าเท่าไหร่ให้ความเห็นแก่ตัวนี่มันจะหลุดไปได้แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อมีปัญญานะมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนที่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรได้เลยสักอย่าง เห็นแบบนี้เห็นด้วยปัญญาเห็นแล้วมันก็หน่ายอย่างที่เราสวดเมื่อนนญญสักครญญู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งปวงหรือทำทั้งปวงนั้นมันเป็นอ น, นัตตาเมื่อนั้นย่อมเดิ น, นในสิ่งที่ตนรักและตนหลงคือมันต้องเห็นด้วยปัญญานะอันนี้แหละจะเป็นวิปัสสนา ถ้ายังแค่ใจสงบเนี่ยยังเป็นแค่สมถะอยู่เจริญสติที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนี้ท่านไม่ได้สอนเพื่อให้ใจสงบถ้าให้ให้สงบนี่ท่านก็สอนให้หลับตาแล้วแล้วก็ไม่ต้องสร้างจังหวะทําอะไรที่มันไปอยู่กับอารมณ์ที่มันปนนิดเช่นอยู่กับลมหายใจก็สงบได้แต่หลวงพ่อเทียนท่านตั้งใจนะให้ให้เราเนี่ยข้ามผ่านทะลุ ค, ความสงบไปด้วยการปฏิบัติเปิดตา ยกมือสร้างจังหวะการยกมือสร้างจังหวะนี่มันเป็นอารมณ์ที่หยาบเพื่อให้ปลุกความรู้ตัวขึ้นมาแล้วถ้ารู้ตัวดีๆรู้ตัวบ่อยๆนี่ไม่ต้องใช้อารมณ์ที่หยาบกระตุ้นก็ได้บางทีใช้อารมณ์ที่มันปนดีกว่าเช่นครึงนิ้วกระดิกนิ้วนะหรือว่ากระพริบตาคือน้าลายแค่นี้มันก็ปลุกความตื่นรู้ได้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 ถ้าตื่นแล้วนี่เพื่ออะไรนะตื่นแล้วไม่ใช่เพื่อเพื่อเพื่อให้ใจสงบโปรงเบาเท่านั้นแต่เพื่อให้เกิดปัญญาทีแรกนี้เห็นด้วยสติก่อนนะไอ้ที่หลวงพ่อท่านบอกว่านี่เห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยคือเห็นด้วยสตนะิคือเห็นอาการของจิตไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าอารมณ์ที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาตอนนี้มันเห็นด้วยสติกนะ่อนน รวมนั si haya, ่งเห็นกายเห็นใจเห็นว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่อย่างที่เราสาธยายมหาสติปฐานสูตรเนี่ยกายยุธปัสนาคือการที่มีสติเห็นชัดว่ากายมีอยู่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ไม่ใช่เรามีอยู่แต่ว่ากายมีอยู่เห็นกายว่าเป็นกายเนี่ยเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเนี่ยเห็นธรรมในธรรมคือเห็นว่ากายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นว่ากายเป็นเรา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 อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เห็นด้วยปัญญาแล้วนะแม้เวลาพูดถึงว่าเห็นเห็นเห็น<ๆ>นี่ก็ต้องบางทีก็ต้องแยกแยายนว่าเห็นด้วยอะไรนะใหม่มาก็ต้องเห็นด้วยสะติก่อนแต่สะติที่เห็นความจรงิงโดยไม่มีอคตินะไม่มีความไม่มีความหลงเนี่ยมันก็จะเห็นไปถึงลักษณะของกายของกายและใจคือเห็นใต้ร่างนั้นเองอย่างที่เราสอนเมื่อกี้นะเห็นพูดเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยปัญญาแต่ว่าสติก็ทําให้เห็นนะเพราะสติก็เป็นตาในที่ทําให้เห็นกายและใจเห็นลักษณะเห็นอาการของใจว่ามันขึ้นมันลงมันฟูมันแฟบมันบวกมันลบอันนี้เป็นงานของสติแล้วมันก็นําไปสู่ปัญญาได้แล้ถ้าปัญญาเนี่ยเห็นลักษณะของกายและใจหรือคันตั้งห้ายว่าเป็นไตรักษเนี่ย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 นะเป็นความสงบเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าอาศัยสตินะในการเห็นความคิดความอารมณ์ต่างๆแต่ตาใดที่จิตยังไม่สว่างนะยังไม่มีปัญญาไอ้ความความทุกข์มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการที่มีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัยสตินะเป็นเป็นฐานนะเขาจึงเรียกว่าสติปัญญาอาสติปัญสีนี่ ก็เป็นได้ทั้งสมถะและวิปั ส, สนาสติปัฏฐาน4ีเนี่ยขั้นต้นเป็นสมถะทำให้ใจสงบอันที่สองเนี่ยมันเป็นวิปั ส, สนาแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์บางท่านทั้งก็เปรียบเหมือนการขับรถนะขับรถเวลาขับรถเนี่ ย, ยมันมีภูมิประเทศหลายแบบการรักษาสีเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถในชนบท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 หรือว่าอาจจะสื่อสีลแปดไม่ไม่ทุกวันก็ถือศีลในวันพระทำสม่าเสมอทำสม่ำเสมอกายวาจามันก็จะเป็นปกตินะส่วนสมาธิเนี่ยเป็นการขับรถอีกแบบในภูมิประเทศแบบนะคือการขับรถที่เลาะเรียบไปตามไหลเขาตามผู่เพลนะซึ่งมันก็กลายเป็นความยากอีกระดับหนึ่งนะจะต้องมีสตินะต้องมีสติตื่นตัว แล้วก็ตอนต้องมีสมาธินะมีความนาแน่วแน่มีความเข้มแข็งของจิตนะเพราะว่าถ้าไม่มีสตินะเดี๋ยวเจอโคง้งมันก็แหกโค้งไปได้นะลงเหวก็มีทําสมาธินี่ถ้าไม่มีสตินะไม่มีความตื่นนะบางทีก็เพี้ยนนะอย่างเช่นไปเห็นนิมิตไปเห็นสีเห็นแสงก็หลง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 เราเชื่อตัวเงเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วอันนี้แล้ ว, ว่าไม่มีสติไงคนขับรถเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่รู้จักโคง้งนะมันก็แห ก, แหกโคง้ลงล ง, ลงเขาได้ลงเหวได้การทำสมาธิมันต้องอาศัยกํหลังของจิตหรือว่าคุ ณ, คณสมบัติของจิตที่มาเป็นกะกาศและสาศสีลขับรถบน ทางด่วนหรือว่าทางชนบทที่มันยาวไกลเนี่ยมันไม่ต้องใช้สติมากก็ได้แต่คอรถ้ใช้ความสม่ำเสมอคือมันต้องใช้เวลานานหกเจ็ดชั่วโมงนะก็ขับรถสบายสบายไปเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ถึงเองนะแต่ว่าการขับรถรเลาะเลียยไปตามไหลเขาหุบเหวนี่เส้นทางอาจจะสั้นนะมันไม่ได้ใช้ความอดทนมากเท่ากับการมีสติ จะต้องรู้ขอบถนนจะต้องรู้ต้้องรูว่าตรงไหนเป็นโคง้งเป็นอะไรส่วนปัญญาเนี่ยก็เหมือนการขับรถอีกแบบหนึ่งนะเป็นการขับรถในถนนใหญ่ในเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่ที่มีตอกซอกซอยเยอะเพราะฉะนั้นต้องตาไวแล้วก็ต้องรู้สัญญาณจราจรนะขับรถบนถนนในเมืองนี่ถ้าไม่รู้จักสัญญาณจราจรนี่เกิดเรื่องนะ แค่ไม่รู้ว่ามันเป็นทางวันเวย์นะ <c oughs> อันนี้ก็เดือดร้อนแล้วเพราะนั่นเนี่ยจะต้องตาไวนะแล้วก็ต้องรู้รู้สัญญาณจรา จ, จรรู้ว่าปอกซอกซอไหนที่เราจะเลี้ยวเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนะคนที่ไม่คุ้นเคยกับถนนในเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยพอขับรถเข้าไปในเมืองเกิดอะไรขึ้นหลงนะหลง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 อพวกนิมิตพวกสิ่งที่มาหลอกให้เราหลงได้เรื่อ ว, วิปัสสนูปกิเลศปุปกิเลศนี่จากวิปัสสนนีมัอุปกิเลศนี่มันเยอะมากนะจากการเจริญภาวนาวิปัสสนาเนี่ยบางทีหลอกให้เราหลงได้อย่างที่มีขาเมื่อเร็วๆนี้หลวงพ่อพินเนี่ ย, ยที่ท่านบอกว่าท่านจะรักสังขารไมา่ได้ก้าเดือนก้าเวลาสามทุ่ม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 จริงนี่ไม่ได้บอกอะไรหรอกมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตแล้วก็ไปเชิญ น, นิมิตนั้นไปคิดว่ามันเป็นของแท้ของจริงนะก็ปรากฏว่าพอไปประกาศญาติโยมครับกลายเป็นเรื่องเลยนะสื่อมวลชนก็ติดตามนะแล้วก็คุ ย, คยแคะแก่เกา่าแล้วก็หาทางเล่นงานก็เสียผู้เสียคนไปเพราะว่าพอถึงวันที่เก้าเดือนเก้าแล้วก็ไม่เป็นแล้วไม่ไม่ยังไม่ตาย วันที่สิก็ยังอยู่นะก็คงถ้าอาจคงงงเหมือนกันนะเอ้ยนี้มันมันบอกว่าอายุขัยจะหมดวันที่เก้าเดือนเก้าทำไมยังอยู่ได้นะก็เพราะ น, น่นไม่ใช่ของจริงไงแต่เชื่อไนะปหลงเชื่ออันนี้เราหลงอาจเป็นซึ่งก็เป็นธรรมดาของการบำเพ็ญวิปัสสนานะสัญญาณจราจรมีเยอะนะ แต่ว่าไปตีความสัญญาณจราจรผิดเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ดันเลี้ยวขวาเขาบอกให้หยุดก็ดันไปต่อนะอ mm ัน hmm. นี้มิดเนี่ยมันก็บางทีมันก็เหมือนกับสัญญาณจราจรที่มันหลอกนะ mm hmm. ไม่รู้ใครทําหลอกนะ mm hmm. ก็ต้องรู้ว่าสัญญาณนี้มันไม่ใช่นะ mm hmm. นเวลาเราขับรถนี่เราก็คงเจอสัญญาณที่มันใครไม่รู้มาติดตั้งหลอกเราน mm hmm. คนที่ขับรถในเมืองก็ต้องฉลาดที่จะรู้แยกแยะได้ ดันที่ท่านเปรียบว่าภาวนาการเจริญปัญญาเนี่ยเหมือนกการขับรถไปถนนใหญ่ในเมืองใหญ่ที่มันมีตอกซอกซอยเยอะทําให้หลงได้ง่ายแถมยังมีป้ายสัญญาณจราจรมากมายถ้าไม่ฉลาดไม่รู้ไม่เข้าใจสัญญาณจราจรก็หลงได้ง่ายขึ้นหรือว่าเกิด อ, อุบัติเหตุได้ง่ายอเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่อ่า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 แบบ ส, สบายๆบนถนนในชนบทนี่สบายแล้วนะก็คือการรักษาศีลไม่ยากแล้วแต่การที่จะขับรถให้มันเลาะเรียบไปตามไหลเขาหุบเหวนี่มันยังต้องฝึกอีกมากนั่นต้องมีสติมีความตื่นตัวผ่านตรงนั้นไปได้ก็ต้องเจออะไรเยอะนะในขั้นวิปนะัสสนาซึ่งถ้าเราได้ เรียนรู้จากคําสอนของครูบาอาจารย์บ้างหรือจากจากคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างก็จะช่วยได้ทําให้เราได้พบความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงบจากกิเลสเป็นความสงบจากความไม่เห็นแก่ตัวหรือการที่ไม่มีตัวตนเพราะมีปัญญาเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจนไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรสักอย่างเพราะรู้ว่ามันยึดมั่นไม่ได้เราคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ